อนาคามิมักเชื่อว่าเป็นผู้เดียวเพราะประาศจากโมหะโดยส่วนเดียวเพราะท่านละโมหะเสียได้แล้วด้วยอรหัตตมัตชื่อว่าเป็นผู้เดียวเพราะไม่มีกิเลสโ ด, ดยส่วนเดียวเพราะท่านละกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมัตพระปเจกับพระเจ้านั้นชื่อว่าเป็นผู้เดียวเพราะละราคะโทสะโมหะกิเลสความเศร้ามองโดยประการทั้งปวง ต่อไปพระประเจกับพุทธเจ้านั้นชื่อว่าเป็นผู้เดียวเพราะเจริญเอกายนามัตเอกายนามัตเนี่ยนะเอกายนโนอายังพิคเวเนี่ยนะเอกายนโนเอกายณะเนี่ยแปลว่าทางสายเดียวอริยมัตที่เป็นทางสายเดียวเท่านั้นหมายถึงอะไรสติปทานสี่สัมมาปทานสอิทธิบาทสีอินรียห้าะละหโพชฌงเจ็อารยมัคอันประกอบไปด้วยองค์8 สร ว, ว่าพระอริยะทั้งมวลท่านล้วนแต่เจริญโพธิปักจะธรรมจึงตรัสรู้เพรามันผู้เดียวไปตามโพธิปัจจะธรรมปล่อยกายและใจให้เล่นไปตามโพธิปัจจยธรรมแต่เพียงผู้เดียวนะนะเรียกว่าดําเนินไปในโพธิปักจยธรรมได้แต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะแต่เป็นคถาประพันธ์ว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นธรรมะอันเป็นส่วนสุดแห่งความสิ้นไปแห่งชาติ คือพระนิพพานคือพระองค์ตรัสรู้นิพพานแล้วพระองค์นี้ทรงอนุเคราะห์คือการุณาด้วยใจที่เป็นเมตตาคือมีกรุความการุณาพระไทยเกือคูนน้อมนำประโยชน์เข้าไปให้พระองค์ทราบธรรมะอันเป็นทางทางคือข้อปฏิบัติเนี่ยนะที่ที่ไปแห่งบุคคลผู้เดียวในบางคอพุทธาที่บัณฑิตคือพระพุทธเจ้าพระประเจกับพุทธเจ้าพุทธส า, าวกข้ามแล้ว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 เป็นไปตามเอกายนะมักคือโพธิปัขิยธรรมพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นชื่อว่าเป็นผู้เดียวตรัสรู้ซึ่งปัจเจกสำโพธิยานอันยอดเยี่ยมอย่างไรบอกว่ายานในมัคสีนี่นะตรัสรู้ยานอันยอดเยี่ยมปจเจกโพธิยานนั้นเป็นชื่อของปัญญายานในมัคสีนี่นะยานในโสดาปติมัคกันนะปัญญาในโสดาปติมัค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 ปัญญาภละปัญญินรียธรรมวิจยสัมโพชงวิมังสาธิปติสัมมาทิฏวิปัสนาเนี่ยนะอันนี้แหละเรียกเรียกปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วซึ่งสัจจะทั้งหลายคือทุกขะทุกขะอริยสัจสมุทัยอริยสัจนิโรธอริยสัจและนิโรธาคามินิปฏิปทาอริยสัจด้วยปัจเจ ก, กพุทธิยโพธิยานท่านตรัสรู้ว่ายัางไงขยักตรัสรู้ตาม่าฟังดู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 ชารามรณะจึงดับตรัสรูว้วันนี้ทุกนี้ทุกขสมุทายนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขนิโรธาขามินีปฏิปทาอริยสัจสีเหล่านี้ก็อย่างที่เมื่อวานเราเรียนนะชารามรณะชารามรณะสมุทยัยชารามรณะนิโรดชารามรณะนิโรธาขามินีปฏิปทาชาติชาติสมุทยัยชาตินิโรดชาตินิโรธาขามินีปฏิปทาภพ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 พัสสะพัสสะสมุทัยพัสสะนิโรธพัสสะนิโรธคามินีปฏิปทาสลายตนะสลายตนะสมุทัยสลายตนะนิโรธสลายตนะนิโรธคามินีปฏิปทานามรูปนามรูปสมุทัยนามรูปนิโรธนามรูปนิโรธคามินีปฏิปทาวิญญาณวิญญาณสมุทัย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 อาสะวะนิโรธคามนินีปฏิปทาในการตรัสรู้เหล่านั้นตรัสรู้ว่านี้ควรรู้ยิ่งนี้ควรละนี้ควรเจริญหรือว่านี้ควรรู้ยิ่งนี้ควรกาหนดรู้นี้ควรละนี้ควรทำให้แจ้งนี้ควรเจริญท่านยังตรัสรู้เหตุเกิดความดับอาศาาัศธาอาทีนวะนิสระณะของผัสสะยตนะหคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ ตรัสรู้เหตุเกิดความดับอนัสมุทยังฆาตทังคมะอัาธาอาทีนวะนิสระณะของอุปาทานขันห้าตรัสรู้เหตุเกิดความดับอัาธาอาทีนวะนิสระณะของมหาภูตรูปสี่ตรัสรู้ว่ายังกินจิตสมุทะยะทำ ม, มังสัพพันธ์ทางนิโรธธรร ม, มัง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 ตรัสรู้ตรัสรู้พร้อมถูกต้องทําให้แจ้งซึ่งทำที่ควรตรัสรู้ควรตามตรัสรู้ควรตรัสรู้พร้อมควรถูกต้องควรทําให้แจ้งนั้นทั้งหมดด้วยปัจเจกโพธิยานยานที่ตรัสรู้โดยโดยลำพังเพราะฉะนั้นพระปัจเจกพรพุทธเจ้านั้นจึงชื่อว่าผู้เดียวตรัสรู้ปัจเจกโพธิยานอย่างยอดเยี่ยมเมื่อท่านตรัสรู้อย่างนี้แล้วท่านทํำยังไงต่อไปท่านก็เที่ยวไป เจริยาเที่ยวไปแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะเที่ยวไปเนี่ยไปยังไงเดินไปเรื่อยเลยใช่ไหมเก็บของใส่กระเป๋าแล้วก็ไปเลยเอ้าก็เที่ยวไปแต่เพียงผู้เดียวไงทำวิซา่าพัสปอร์ตไปคนเดียวเลยประเทศหนึ่งสู่ประเทศหนึ่งไม่บอกอัมลาใครทั้งนั้นนะ่ไม่ใช่หรอกในที่นี้หมายถึงว่าเที่ยวไปด้วยธรรมะแปประการ นึอิริยาบถจริยา2อายตนะจริยา3สติจริยา 4. สมาธิจริยา5ญาณจริยา6กมัคจริยา7ปฏิปปิจริยา 8. โลกัตถจริยากัไหนไหนจะเที่ยวไปก็ต้องเที่ยวให้มันครบแนี่สิน่นะหนึ่งที่เรียกว่าโดยอิริยาบถจริยาส่วนใหญ่ทั่วๆไปเราจะรู้อยู่อันเดียวนะรู้โดยอะไร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 นี้ต่อไปการเที่ยวไปด้วยสติปัฏฐานสี่ชื่อว่าสติเจริยาเนี่นะเที่ยวไปเนี่ยดำรงอยู่ในสติปัฏฐานสี่เที่ยวไปด้วยฌานสี่เรียกว่าสมาธิเจริยาเที่ยวไปในอริย ส, สัจสีด้วยปัญญาเนี่เรียกว่าญาณเ จ, จริยาอาริยามรรคเกิดขึ้นเป็นการเที่ยวไปในมรรคสี่ชื่อว่ามัรคเกวาจริยาถ้าได้สามัญญผลสี่โสดาปฏิผลเป็นต้นเรียกว่าปฏิบัตเจริยา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 ส่วนบุคคลผู้ขวนขวายในอาธิจิตนะ น, น, นี่แหละชื่อว่าสมาธิจริยาที่เรียกว่าเจริญฌานสี่นะเจริญฌานสีขวนขวายในการอบรมสมถะเพื่ออุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิความประพฤติของบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาเครื่องตรัสรู้ชื่อว่าอายตนะจริยานะก็คือรู้อะไรรู้อริยศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยนะเป็นการประพฤติปฏิบัติเพื่อแทงตลอด อริยศัตร์ทั้งหลายเพราะยาในอริยาศาตร์ทั้งหลายนี่แหละเรียกว่าพุทธญานจริยามีเพราะเพราะเป็นคนนั้นอะ่ะพรถึงพร้อมด้วยพุทธทิคือความรู้ส่วนความประพฤติของบุคคลผู้ปฏิบัติชอบชื่อว่ามัคคจริยาเนี่ยนะตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติผู้ใดที่ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติก็จะบรรลุอริยามรรคโดยชอบส่วน